เป็นอะไรก็ตามมันก็ทุกข์ทั้งนั้นไม่ว่าเป็นไปในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ตามพระภัยสารวิสาโล เช้าวันนี้ก็มีเรื่องราวที่จะเล่าสู่กันฟังแบ่งปันให้กับเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราทักนิดนึงนะคะเมื่อวานนี้ชมรมเพื่อนคุณธรรมของเราเนี่ยได้มีโอกาสขับเคลื่อนกระบวนการก่อการดีไปร่วมงานกับโครงการดอกไม้แห่งแผ่นดินอาจจะเป็นกิจกรรมใหม่ๆเป็นคณะกลุ่มทํางานใหม่ๆที่หลายคนอาจจะยังไม่คุ้นเคยมากนัก โครงการนี้เขาก็มีการแสดงธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทานคล้ายๆกับที่ชมรมกัลยาณธรรมจัดมาสืบกว่าครั้งแล้วนี่แหละคะ่ะครับแต่ว่าอาจจะยังทีมงานเล็กกว่าแล้วก็สถานที่เล็กกว่านะคะคก็เลยรองรับผู้ร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมได้น้อยกว่ากิจกรรมเมื่อวานนี้เป็นกิจกรรมที่ทางโครงการดอกไม้แห่งแผ่นดินตั้งใจ ให้เป็นงานแสดงธรรมแล้วก็ปฏิบัติธรรมเป็นธรรมทานเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่อาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยในเรื่องของมีสติรักษาจิตยิ้มได้เมื่อภัยมาเท่าที่นั่งฟังอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าผู้คนในหอประชุมที่แม้จะยังไม่เต็มนักเนี่ยเพราะว่าเป็นรายการแรกในช่วงเช้าแต่คนฟังส่วนใหญ่เนี่ยก็รู้สึกชื่นชอบในสิ่งที่อาจารย์บรรยาย แล้วก็พออาจารย์บรรยายเสร็จยังมีทางทีมงานช่องเก้ามาสัมภาษณ์ต่อด้วยขเขามาถามอะไรอาจารย์เหรอคะตอนที่เข้ามาสัมภาษณ์นะคะเขาก็ถ า, ถามถึงเรื่องเศรษฐกิจหรือปัญหาที่อยู่ในชีพปัจจุบันเนี่ยเรากำลังมาเจอปัญหากับความขัดแย้งกันเราจะวางจิตวางใจอย่างไรแลอาจารย์ตอบเขาไปว่ายังไงล่ะคะก็ต<ข>อบเขาไปอย่างง่ายๆที่เคยพูดกันบ่อยๆว่าเราต้องเข้าใจถึง โลกแล้วก็ปัญหาปัญหาของเราเนี่ยแม้ว่าในอดีตก็ตามในปัจจุบันก็ตามอนาคตก็ตามก็ต้องมีปัญหาแบบนี้ความขัดแย้งของแต่ละกลุ่มแต่ละฝ่ายเนี่ยย่อมเป็นเรื่องธรรมดาเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นเราถือว่าเป็นผู้ดูเป็นผู้สังเกตการเนี่ยเราต้องเข้าใจในส่วนนี้แต่ไม่ใช่ว่าปัญหา ขอการขัดแย้งเนี่ยมันจะขัดแย้งกันตลอดชีวิตมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็คลี่คลายลงไปได้อาจจะผ่านความรุนแรงไปบ้างแต่สุดท้ายมันก็จะต้องจบลงอยู่ที่ความสงบได้นั่นเราก็ให้เข้าใจถึงเรื่องโลกต่างๆหรือปัญหาต่างๆเรื่องของเศรษฐกิจก็เหมือนกันตอนนี้เราว่าเศรษฐกิจเราตกต่ำมันก็จริงอยู่ที่ว่าเศรษฐกิจที่ตกต่ำเนี่ยไม่ใช่มันจะตกต่ำอยู่เสมอไปหรอก เดี๋ยวมันก็ขึ้นชีวิตมันมีขึ้นมีลงนะเศรษฐกิจก็เหมือนกันมีขึ้นมีลงเราก็เคยมีอย่างเช่นน้ํามันเนี่ยนะน้ำมันมันเคยขึ้นราคาสูงสุดเกือบสี่สิบบาทมันก็ค่อยลดลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจต่างๆหรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกของเราเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงเราเป็นเพียงผู้ดูก็ต้องรักษาจิตเราให้เป็นปกติอย่าไปขึ้นตามเหตุการณ์แล้วก็อย่าไปลงตามเหตุการณ์ ให้มีสติรักษาจิตให้ปกติเขาไว้ทำอะไรไม่ได้ก็ทำใจให้ปกติไว้ก่อนให้มันไม่ทุกไว้ก่อนเราจรึงจะมีสติปัญญาค่อยๆแก้ปัญหาจากภายนอกอาจารย์พูดเหมือนกับว่าในขณะที่สถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจก็ดีสังคมก็ดีการเมืองก็ดีกำลังฟัดเหวี่ยงกันไปกันมาขึ้นๆลงๆกันอย่าง ที่ยิบเนี่อย่างนี้นะคะคถ้าแม้นว่าเรารักษาใจของเราให้เป็นปกติได้ถือว่าเยี่ยมยุตใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยเพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันเริ่มจากใจของเราไอ้ที่เราเป็นทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่จากสิ่งภายนอกหรอกเรียกว่าภัยร้ายในชีวิตเนี่ยก็คือความคิดค่ะที่มันปรุงแต่งในจิตใจเราเนี่ยคือตัวภัยร้ายในชีวิตเลยถ้าเราเริ่มต้นจากตัวเรารู้จักที่มีสติรู้เท่าทันจิตใจ รักษาใจให้เป็นปกติเนี่ยใจเราก็ดีแล้วที่สำคัญก็คือคนรอบตัวเราเนี่ยก็พลอยดีไปด้วยไม่ต้องขัดแย้งกันสิ่งภายนอกเรื่องราวข้าง น, นอกเนี่ยมันขัดแย้งกันก็ตามแต่ต้องรักษาใจเราแล้วก็คนรอบตัวเราจะให้ขัดแย้งกับคนใกล้ตัวเนี่ยมันเป็นประเด็นเริ่มจากคนใกล้ตัวจากตัวเราและคนใกล้ตัวต้องรักษาไว้เขามีปัญหากันอยู่ข้างนอกก็ไม่เป็นไรแต่ในครอบครัวเรา คนใกล้ตัวเราเนี่ยอย่าให้มีปัญหาต่อกันแต่ใ น, <ห>นความ<ส>เป็นจริงแล้วที่เราพบเจอในหลายครอบครัวนะคะ <c ười> พูดคุยกันไม่ได้เลยเรื่องบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่กำลังฮอตฮอกันอยู่ในขณะนี้นะคะ <c ười> ก็น่าจะเป็นโอกาสที่เราใช้วิกฤตตรงนี้มาฝึกฝนใจเรานะคะว่าเราจะอยู่ร่วมกันในบ้านเดียวกันอย่างไรในสังคมเดียวกันอย่างไรในประเทศเดียวกันอย่างไรในท่ามกลางความคิดที่แตกต่างครับถ้าเผื่อว่าเราเนี่ย เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งโดยที่ไม่ได้สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้แบ่งขั้วแบ่งฝ่ายอย่างชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยนะคะเท่ากับเราเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามคันลองคลองธรรมใช่ไหมคะอาจารย์ครับอาารก็บอกว่าเราจะปล่อยวางเหรอก็ก็ถามต่อว่าเราจะ <Okay. S 3> ปล่อยวางเลยการปล่อยวางเนี่ยมันก็ต้องมีสติปัญญาไม่ใช่ว่าเราทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่สนใจทุระไม่เฉลือ่อมันก็ไม่ใช่ เราก็รับฟังเอาไว้ส่วนที่เราช่วยแก้ไขได้ก็แก้ไขไปอะไรที่แก้ไขไม่ได้เนี่ยก็ต้องรู้จักรอเวลาปัญหาบางอย่างนี่มันเป็นปัญหาโลกแตกมันแก้ไขไม่ได้หรก<ช>เราต้องรู้จักปล่อยวางในส่วนนั้นแต่ปัญหาบางอย่างนี่อยู่ในวิสัยที่แก้ไขได้ก็ต้องแก้ไขไปก็คืออาจารย์นแนะให้เราเนี่ยปล่อยวางในผลแต่ไม่ปล่อยวางในการสร้างเหตุในการทาให้มันถูกต้องเข้าไป ทำสิ่งที่ถูกต้องกินในสิ่งที่ถูกต้องเกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครับผลมาเป็นยังไงต้องรู้จักยอมรับแล้วก็ปล่อยวางมันได้บ้างตรงนี้ชาวพุทธไทยเราเนี่ยยังเข้าใจได้ลําบากเหลือเกินเรามักจะปล่อยวางในผลไม่ได้ครับแต่ว่าปล่อยวางในเหตุเก่งคือขี้เกียจทำนะแต่อยากได้ผลก็กระชากใจใครหลายคนเหมือนกันนะคะคํานี้ก็ฝากเพื่อนพ้องพี่น้องคุณธรรมของเราไปวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ ตัวของท่านเองก็แล้วกันนะคะดีกว่าให้ใครมาวิเคราะห์วิจัยวิจารเราลคะค่ะว่าเราเนี่ยเป็นผู้ที่หนักแน่นมั่นคงในการปล่อยวางในเหตุหรือว่าปล่อยวางในผลแต่ถ้าจะมาวิเคราะห์หัวข้อที่ทางโครงการดอกไม้แห่งแผ่นดินกำหนดให้อาจารย์ไปบรรยายเมื่อวานนี้นะคะที่ว่ามีสติรักษาจิตยิ้มได้เมื่อภัยมาเนี่ยเหมือนเป็นโครงการนาร่องว่าภัยกาลังจะมาจังเลยค่ะ อาจารย์ผู้พูด ผ, ผู้บรรยายเองรู้สึกเป็นประการใ <c oughs> ดคะมันไม่ใช่นำล่องหรอกว่ามัน <c oughs> มันเป็นไ ป, นปนแล้วเริ่มต้นจากภายัยภายนอกที่ว่าฝน ล, ลมพา ย, ยุแผ่นดินไหวไฟไหม้น้ำท่วม <c oughs> นโจรภัยโจรปล้นความป่ว ย, ยไข้แม้กรทั้งความตายมันก็มีอยู่แล้วในชีวิตปัจจุบันต้องเจอไม่เจอในเมืองเราก็เจอในเมืองนอก <c oughs> แล้วโดยเฉพาะ <c oughs> ตัวเราเนี่ยมันก็ได้ไเผชิญหน้ากับภัยพวกนี้บ่อยครั้ง มีอยู่แล้วแต่ว่าการเผชิญภัยเหล่าเนี้ยเราจะเผชิญภัยด้วยสติหรือเปล่าอันเช่นว่าภัยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยมันยังไม่สําคัญเท่ากับเราทําใจอย่างไรถ้าเราขาดสติตื่นตะหนกตกตะลึงตื่นกลัวเนี่ยมันก็ไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาใจเราก็ไม่ดีแล้วก็การแก้ปัญหาข้างนอกก็ไม่ดีบางทีแก้ปัญหาแบบผิดพลา ด, ลาดแต่ถ้าเรา มีสติสติมาทันเวลามีภัยอะเกิดขึ้นเรามีสติมาทันเนี่ยเราเปลี่ยนจากการตื่นตนกเนี่ยตื่นตัวมากลายเป็นตื่นตัวตื่นรู้ซะเนี่ยมันก็จะดีกว่ า, า จ, จะเป็นประโยชน์กว่าสติที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะสามารถที่นําเอาปัญญาหรือประสบการณ์ชีวิตหรือความรูต้ต่างๆนําเอามาใช้ได้ถูกต้องแล้วก็ทันท่วงทีถูกกับกาลเทศะด้วยสำคัญที่ว่าเมื่อเกิดอะไรขึ้นเนี่ยสติมาหรือ ความกลัวมากปกติแล้วคนทั่วไปเนี่ยความกลัววิตกกังวลก็จะต้องมาก่อนเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ถ้าเราฝึกฝนจิตใจเราได้เนี่ยเมื่อสิ่งเหล่านั้นมาแวบเนี่ยเราจะมีสติยั้งทันใช่ไหมสติมาทันแก้ไขได้แต่ถ้าจะไม่ให้เกิดเลยเนี่ยก็คงจะยังยากสําหรับปุถุชนนะคะมันเป็นสัญญาณของคนนะคือความกลัวความระวังภัยความกลัวภัยเนี่ยเป็นสัญญาณตรงนี้เนี่ย อาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของภัยเอาไว้ว่ามีทั้งภัยภายนอกซึ่งรายร้อมรอบตัวเราอยู่เป็นนิจสินอยู่แล้วไม่ได้แปลกแตกต่างอะไรหรอกและภัยภายในจากจิตใจของเราเองครับถ้าให้ขึ้นตะช่างแล้วอาจารย์ว่าภัยภายนอกกับภัยภายในใจของเราเนี่ยอันไหนจะน้ําหนักมากกว่ากันคะโอภัยข้างในเนี่ยน่ากลัวกว่านะอภัยที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งเนี่ยทั้งนี้ก็ไม่ต้องรอภัยข้างนอกก็ได้ เพราะว่าภายานอกบางทีมันเกิดขึ้นแล้วมันก็บางทีมันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติธรรมดาแต่ถ้าข้างในเราปรุงแต่งให้มันมากเกินไปให้มันรุนแรงเกินไปมันก็ทําให้เราทุกข์หนักเช่นว่าเพียงแค่ฝนตกทำเป็นเรื่องธรรมดาเขาเดูฝนก็ตกแต่เราคิดมากไปว่าเอ๊ะถ้ามันตกมากน้ำจะท่วมไหมแล้วมันตกมาอยู่จะทําอย่างไรเนี่ย ม, มันเริ่มปรุงแต่งในจิตใจและเป็นความไม่ตกกังวลแล้วเนี่ยมันทําให้เราต้องเป็นทุกข์มาก จากทุกน้อยเป็นทุกมากเนี่ยแล้วที่สําคัญก็คือภายภายในที่น่ากลัวที่สุดก็คือภายในวัฏฏะสงสารการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันไม่รู้จักจบจากสิน้นปรุงแต่งในจิตใจเป็นตัวเป็นตนเป็นพบเป็นชาติมันก็ไม่จบเกิดแต่ตายอย่างเงี้ยภายภายนอกอาจจะตายครั้งเดียวแต่ข้างในเนี่ยมันปรุงแต่งมากหลายภพหลายชาติดิ่งแต่ละวันเนี่ยโอ้เราปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตนแล้วก็เป็นทุกข์ เพราะการปรุงแต่งของเราเนี่ยได้ตลอดเวลาตลอทั้งวันก็ได้สรุปแล้วเนี่ยการที่จะต้องมีสติยิ้มได้เมื่อภัยมาเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นการบ้านของทุกคนเลยมั้งคะครับไม่เว้นผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่เด็กนะคะแล้วถ้าฝึกไว้เซ็ตตั้งแต่เนินเน่นๆน่าจะเป็นภูมิคุ้มกันที่ <c oughs> ดีนะคะ เพราะจริงๆแล้วเนี่ยในชีวิตหลายรอบตัวเราเนี่ยก็คงต้องยืนยันกันว่าใช่ว่าจะทุกคนที่ทําได้คร<ะ>ับที่สามารถจะมีสติรักษาจิตยิ้มได้เมื่อภัยมาส่วนมากภัยมาก็ยิ้มไม่ออกกันทั้งนั้นเลยก็มีวิธีการฝึกของเราไว้เนี่ยแล้วเวลาที่มันเกิดภัยเกิดขึ้นเนี่ยถ้าจะเรียกสติเนี่ยมันก็ใช้วิธีหลายๆอย่างจะมีการเคลื่อนไหวเนี่ยกระดิกนิ้วหายใจเข้ า, ใ จ, ขาใจออกอันนี้มันช่วยให้เรียกสติกับคืนมาได้นะ หรือบางทีมันทำอะไรไม่ได้ก็เราลองเจตนายิ้มโดยที่ไม่มีความหมายรู้บ้างไอ้การยิ้มโดยไม่มีความหมายเนี่ยบางทีมันมันก็ช่วยทําให้สติเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะอย่างน้อยมันก็แก้ไขปัญหาข้างนอกไม่ได้ใจเรามันก็ดีไปแล้วแก้ไขใจไว้ก่อนเนี่อาจารย์บอกเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยฝึกที่จะหัวเราะยิ้มเยอะกับเรื่องราวในชีวิตที่มันไม่เป็นอย่างที่เราอยากให้เป็นใช่ไหมคะครับเห็นเป็นเรื่องสนุกเห็นเป็นเรื่องตลกมองไปในแง่ดีในแง่บวกซะ บางทีสถานการณ์ในจิตใจเราอาจจะดีขึ้นก็ได้จะว่าไปแล้ววิธีการนี้ก็น่าจะเป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งที่จะลดความยึดมั่นถือมั่นในใจของเรานะคะคเพราะว่าเราแทบจะทุกคนกระมังคะก็จะสะสมความยึดติดถือมัน่น <c oughs> เอาไว้ว่าไอ้นั่ <c oughs> นตรงอย่างนี้ไอ้นี่ตรงอย่างนั้นมาตลอดชีวิตนะคะ <c oughs> พอกพูนกันเป็นหางหมูที่หมูยกหางไม่ขึ้นเลยกรนมังคะ <c oughs> ถ้าเรามาเริ่มฝึกนะคะที่จะสลัดหาง ให้ดินที่พอกหางหมูอยู่หรือสิ่งที่ยึดติดอยู่ในใจของเราให้จางคลายลงไปเรื่อยๆก็น่าจะเป็นวิธีที่ดีที่จะฝึกใจของเราเหมือนกันนะคะครับมองในแง่ดีบ้างท้าทายบ้างอย่ามองแต่ในแง่ร้ายแล้วก็มีแต่อุปสรรคเนี่ยเราก็จะแก้ปัญหาจิตใจเราไม่ได้แล้วข้างนอกก็ทําให้ค้างคาอยู่อย่างนั้นแหละตอนนี้เขามีคําพูดอยู่คําพูดหนึ่งคะ่ะน่าจะเป็นคําพูดที่ เข้ากระแสของภาวะปัจจุบันคือเขาบอกว่าคิดบวกชีวิตบวกอันนี้น่าจะเป็นไปได้ใช่ไหม ค, ครับเป็นไปได้ครับส่วนมากธรรมชาติใจของเราเนี่ยมักจะคิดลบนะคะลบไว้ก่อนตามวัฏจัรยานกลัวไว้ก่อนค่ะเสียงโทรศัพท์มาก็อ้าวต้องข่าวร้ายไอ้นูนเอนดิมาอ้าวต้องเป็นเรื่องร้ายนะคะเรามาลองคิดบวกเผื่อชีวิตจะบวกน่าจะเป็นเรื่องดี แต่การคิดบวกเนี่ยจะไม่เป็นการที่ทําให้เรามองโลกไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเหรอคะอาจารย์ครับโลกเนี่ยมันมีบวกแล้วก็มีลบมีร้ายก็ต้องมีดีในส่วนที่เลวร้ายเนี่ยก็ถูกต้องแต่เราสามารถมองให้ส่วนที่ดีได้เนี่ยลบกับบวกอย่างเงี้ยเป็นเรื่องของโลกโลกแต่ถ้าคนที่เข้าใจเรื่องโลกเนี่ยจะรู้ว่าการมองโลกที่ถูกต้องนั้นคือมองโลกตามความเป็นจริงในโลกเนี่ยถ้าเรามองตามหลักธรรมแล้วก็มันไม่บวกไม่ลบหรอก มันเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นบวกลบ Laz, ดีร้ายเป็นเพียงสมมุติแต่โลกความจริงก็คือมีแต่ความเปลี่ยนแปลงคาว่าเปลี่ยนแปลงนี่น Oil, ไม่ใช่ว่าจะเปลี่ยนไปทางดีเสมอไปหรือร้ายเสมอไปแต่มั น, มนเปลี่ยนแปลงกันแล้วกันมันเปลี่ยนแน่จะเปลี่ยนเป็นบวกหรือ เ, เ, เป็นลบน<อ>ั่นก็แล้วแต่เหตุปัจจัย เ, เรามองในแง่จริงหรือมองว่าโลกเนี้ยเราไม่สามารถจะบังคับควบคุมอะไรมันได้เลยแม้ว่ามันจะดีมันก็ดีได้ไม่ตลอดเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนมาเป็นร้าย ไม่ว่าจะร้ายก็ร้ายไม่ตลอดด้วยว่าก็เปลี่ยนเป็นดีเป็นเรื่องธรรมดาของคําภีรโลกเอาแล้วสรุป แ, แล้วจ ร, จริงๆแล้วเราควรจะมองโลกในแง่บวกหรือมองโลกในแง่ของความเป็นจริงดีคะอาจารย์ถ้าอยากให้ชีวิตเราดีมีความสุขก็มองในแง่บวกไว้ะนะถ้าอยากให้ชีวิตเรามีแต่ความทุกข์ก็มองในแง่ลบอ้าวแต่ถ้าอยากว่าให้ชีวิตเราเนี่ยดีหรือไม่ทุกข์เนี่ยมองโลกตามความเป็นจริง<อ>แล้วก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกด้วยความที่ถูกต้องตามสมมุติ เป็นเพียงผู้ดูโลกและเข้าไปเกี่ยวข้องกับโลกตามความถูกต้องเราก็จะไม่เป็นทุกข์กับโลกที่มันขึ้นขึ้นลงลงคนในโลกจึงมีอาการก็เรื่อคลุมดีคลุ้มร้ายพอโลกดีก็โอ้ใจดีฟูแต่พอโลกไม่ดีสิ่งเดีวร้ายมากระทบใจแฟบขึ้นขึ้นลงลคลุมดีคลุมร้ายไม่ค่อยปกติเขาจึงบอกว่าในโลกนี้มีแต่คนบ้าคนบ้าคือคลุมดีคลุ้มร้ายแล้วดีเดียวร้ายตามเหตุการณ์แต่คนที่มีสติมีปัญญาเนี่ย เขาจะเป็นเพียงผู้มองโลกแล้วก็เขาไปเกี่ยวข้อง อ, อย่างถูกต้องอันเนี้ยจะดีจะร้ายของโลกเนี่ยไม่ทำใจเขาต้องขยับขยื่นคือก็เพิ่มไปได้